สิกขาบทที่12ภิกษุณีผู้ขอผ้าห่มบางราคาเกินกว่าสองกังสะครึ่งเป็นอย่างมากต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังขอต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อขอเสร็จแล้วต้องนิสัคิยปาจิตตีนิสักคิยปาจิตตี12ศสิกขาบทจบ